ตัวจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องความตายอันประเสริฐของผู้มีบุญโดยพระท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่3มกราคม2544ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติตาฟังได้นะบัดนี นเจริญธรรมทุกๆคน <c oughs> วันนี้เราก็มาร่วมกันฟังธรรมในกิจที่เรียกว่าเป็นพิธีเป็นพิธีกรรมหรือเป็นกิจที่เป็นพิธีทางวัฒนธรรมเราในงานศพเมื่อมารวมกัน ในงานศพนั้นประโยชน์ที่จะได้มากก็คือได้ฟังคํากล่าวที่เป็นธรรมะอันทําให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่หายโศกเศร้าหายเสียใจบรรเทาความเสียใจบันเทาความคิดถึงหรือบรรเทาความอาลัยเอาวรลซึ่งเป็นธรรมดาของปุถุชนที่ไม่เข้าใจสัจธรรมแล้วก็จะต้องมี การอะไรอาวรมีการระลึกถึงมีการเสียดายอะไรก็แล้วแต่เมื่อตายจากกันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งเป็นธรรมชาติของผู้ที่ยังไม่รู้เรียกว่าอาวิชชายังไม่เข้าใจถ้าผู้ที่เข้าใจสัจธรรมแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรมาก <c oughs> การตายก็คือการตาย คนผู้หนึ่งก็ตายไปก็จากกันแหละออทีนี้คนไม่ได้ปึกปฏิบัติธรรมจกนกระทั่งมีความเข้าใจและมีเจโตมีจิตที่สามารถปล่อยวางสามารถที่จะระงับหรือสามารถที่จะวางเฉยได้ว่าการตายก็ดีก็เป็นธรรมชาติหนึ่งซึ่งเราก็เคยเห็นทั้งนั้น เกิดมามีอายุพอสมควรก็จะต้องเห็นการแก่การเจ็บการตายหรือการเกิดเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมดาธรรมชาตนะิเพราะยิ่งผู้เข้าใจสูงขึ้นไปกว่านั้นเข้าใจสูงขึ้นไปว่าการตายนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะจบสิ้นง่ายๆถ้าไม่ใช่พระอระหรันต พระอาหารหันต์ที่จะตายอย่างปรินิพานก็ยังไม่จบสิน้นยังจะมีอะไรวนเวียนมีการเกิดต่อมีการเชื่อมต่อพรางงานตะปุติถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ไปกังวลอะไรนั่นหนึ่งเข้าใจดีก่าอังกฤการตายก็ต้องมีการเชื่อมต่อจบวาระไปวาระหึง เสร็จแล้วก็วนเวียนเกิดกันใหม่ส่วนจะเกิดใหม่อย่างไรนั่นก็แล้วแต่วิบากแล้วแต่กรรมที่ได้ทำไว้เสร็จแล้วกรรมวิบากนั้นก็จะจัดสรรเองกรรมวิบากที่มีทั้งอดีตมีทั้งที่ได้ทำในชาตินี้และมีทั้งปัจจุบันที่ได้ทำอยู่ทุกปัจจุบันคนเรามีสิ่งที่สั่งสมลงเป็นทรัพย์หรือเป็นสมบัติ ของตนของตนเดียกกับกบมามสกตาเป็นของของตนเป็นทรัพย์แ ท, ท, ท้คือกรรมถ้าใครเขา้าใจแล้วว่าการตายการเกิดมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละเพระเาะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในประเด็นหลักๆประเด็นสำคัญว่าถ้าคนเราสั่งสมทรัพย์หรือสั่งสมสมบัติซึ่งเป็นสมบัติแท้กรรมหรือวิบากเป็นสมบัติแท้ของคน ถ้าเราได้สั่งสมมั่นใจว่าเราได้สั่งสมกรรมที่เป็นกุศลเป็นของดีเป็นความดีเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างถูกต้องสัจจะด้วยเพราะนั้นผู้ใดได้สั่งสมกุศลอย่างแท้จริงแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยจะกลัวตายนะไม่ค่อยจะกังวลในเรื่องตายเพราะการตายน่นก็คือการเปลี่ยน พบจากพบที่เราเคยอยู่ปัจจุบันนี้พอตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่คนที่เป็นมีกุศลอย่างเพียงพอจริงก็จะเกิดเป็นคนอีกเกิดเป็นคนก็จะมีวิบากดีถ้าเราได้ทําดีเราได้มีกุศลเราได้สร้างกรรมที่เป็นกุศลไว้มากกว่าวิบากบาปวิบากอากุศล เราก็จะเกิดมาเป็นคนอีกที่จะดีกว่าเก่าะจะได้ดีก็คือได้ทั้งกุศลทางโลกีไม่ว่าจะเป็นลาภยศสันเสริญโลกียสุขร์หรือรูปสมบัติต่างๆ่างเราก็จะดีขึ้นเพราะมีกุศลนั่นเป็นตัวพากําเนิดเรียกว่ากรรมโยนิเมื่อพากําเนิดแล้วก็จะเป็นไปรจริงตามที่เราเป็นเรามีเป็นสมบัติ เป็นมรดกของแท้ที่เราจะต้องรับมรดกกรรมของเราเราก็จะได้พึ่งอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละคือกรรมคือวิบากนี่แหละเป็นเครื่องอาศัยเรียกว่ากรร ม, มปฏิสรโนเป็นเครื่องอาศัยที่แท้จริงพระฉะนผู้ที่มีมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองได้ก่อกุศลมากมากๆไว้ก็ไม่ต้องห่วงหาอาววรตายไปแล้วเกิดมาใหม่รวยก็เก่าลอก็เก่าฉลาดก็เก่า ถ้ายิงมีโล ก, กุตระสั่งสมโล ก, กุตระก็ยิ่งจะรู้จักสัจธรรมรู้จักทางพ้นทุกเต็มมากละมีความลงตัวในการที่จะมีวิบากอันเป็นทุกน้อยลงพาไปทุกอ ย, อย่างนี้จะน้อยลงอันนี้เป็นสัจจะในาศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อย่างแท้จริงในพิสูจน์ได ศึกษามานานับกับกันไม่รู้กี่ชาติตอกี่ชาติที่ได้ศึกษาในสัจธรรมพวกนี้ซึ่งศาสนาพูทก็ถ่ายทอดสืบสารสืบต่อกันมาเรื่อยๆพระพุทธเจ้ามีไม่รู้กี่พระองค์พระองค์ก็ติดตามสืบสารสัจธรรมพวกนี้แล้วก็ถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆผู้ที่รู้ความจริงได้บรรลุความจริงเข้าใจความจริงอย่างมีสภาวะรองรับนี่ของจริงรองรับ ไม่ใช่ว่าพูดไปโดยภาษาเฉยๆปริยัติทั่วๆไปเฉยๆแต่มีของจริงรองรับที่แท้พูกนั้นก็พูดด้วยความมั่นใจบอกกันให้รู้มีปฏิภาณในการที่จะรู้จากองค์ประกอบอย่างไรมีสิ่งที่เกี่ยวที่ก้องอย่างไรก็พูดสู่กันฟังอธิบายสู่กันฟังก็จะได้เข้าใจไป เหตุที่คนที่บรรลุธรรมหรือว่ารู้จักสัจธรรมพวกนี้ได้ดีแล้วก็จึงไม่ทุกข์ก็เพราะว่าก็มารู้ความจริงว่าถ้าเราเชื่อว่าเราเองเรามีพลังในตัวมีพลังในการไม่ทำชั่วพยายามที่จะลดชั่วไม่ทำชั่วหรือทำชั่วก็ทำน้อยแต่ทำดีนี่มากกว่าจริงๆโดยภูมิปัญญารู้จริงๆระ่ากรรมกายกรรมวจิกรรมโนกรรมเป็น กุศลนะเป็นกุศลกรรมอย่างแท้ๆไม่ใช่หลงผิดไม่ใช่งงๆไปเข้าใจไอ้ที่ชั่วอกุศลแท้ๆไปเข้าใจว่ากุศลซึ่งก็มีลึกซึ้งอาตมาก็บรรยายมามากนะในเรื่องเข้าใจความความเป็นกรรมที่ผิดเข้าใจกรรมที่มันเป็นอกุศลว่าเป็นกุศล ยกตัวอย่างที่คนไม่รู้แล้วก็หลงว่าเป็นกุศลอันนี้เป็นระดับอริยะจะ้ยกตัวอย่างให้ฟังชัดๆถ้ายกตัวอย่างอาริยะนี่พราะเราจะงงเลยนในระดับโลกุตระชั้นสูงขึ้นไปในเกรดสูงๆเนี่ยถ้าในเกรดสมมุติว่าเป็นเกรดระดับสูงอนนาคามีขึ้นไปนี่เป็นต้น คนที่เป็นอนาคารมีจะเห็นเลยว่าเราเองเราเข้าใจว่าการได้มีรสอร่อยของอาหารกินได้เสพรสอร่อยกินเนี่ยโอ้โหเป็นบุญเป็นของดีนะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมรื่นรมย์ก็ประทับใจปลาบปลื้มยินดีนั่นคือความผิด ถ้านในระดับภูมิพระนาคามีเห็นว่าเราเองนี่ไปปราบปลื้มไปได้รับได้รับกินอาหารอร่อยแล้วก็ชื่นใจเนี่ยเราโงา่เราบาปเราผิดในระดับภูมิพนาคามีจะกินอาหารแล้วก็รู้สึกว่าแหมเนี่อร่อยแล้วก็ชื่นใจเนี่ยผู้นั้นจะรู้สึกผิดเลยว่าตัวเองได้ทําผิดตัวเองบาปตัวเองมีวิบากอากุศลสังสมกิเลสกาม ในระดับรถอาหาราตัวเองปล่อยใช้จิตเสพติดยาบหนาขึ้นเป็นความสวยเป็นความผิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นคนปุถุชนนี่ไม่รู้หรอกแต่กินอร่อยเป็นบุญเป็นกุศลโอ้โหมีอาหารอร่อยกินกินเข้าไปกิเลสห น, นาขึ้นทุกวัน เสร็และก็ชื่ในใจกับกิเลสนานั้นเรืร้วยไปอย่างนี้เป็นตน้นเพราะคนไม่ได้ศึกษาโลกุตตรธรรมไม่ได้ศึกษาสัจธรรมอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรคือกุศลแท้กุศลลึกอะไรคืออกุศลอย่างนี้เป็นตน้นนะในยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแต่ก็ไม่ง่ายสําหรับผู้ไม่มีพื้นฐานฟังและะ้วอ่านเลยเป็นอกุศลได้ยังไงได้กินของอร่อยอาหารประณีต ไม่หายได้กินอาหารปรนีดมันก็น่าื่นใจมันก็โอ้โหเป็นสุขก็เิก็สบายไปอร่อยไปแล้วจะมาบาปมาเป็นอกุศลได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังผู้ที่มีพื้นฐานฟังแล้วจะเข้าใจชัดส่วนผู้ยังไม่มีพื้นฐานก็ตามไปก่อนตามศึกษาไปนะ สำหรับโลกุตระหรือว่าสำหรับธรรมะของพุทธเจ้านั้นมีทั้งโลกียะมีทั้งโลกุตระถ้าผู้ปฏิบัติธรรมาดีๆเนี่ยจะจะเคยพบเคยพบเหตุการณ์ที่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเรามักจะรู้สึกเลยว่าเอถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วทำไมนะไอเหตุการณ์ที่มันมายั่วกิเลนเรานี่มันจะมีมากขึ้น แต่ก่อนนี้ก็ไม่เห็นค่อยมีเลยเพอปฏิบัติธรรมเท่าทนั้นน่ะตัง้งศีลตั้งทำตั้งกรรมฐานขึ้นมาแล้วว่าทําไมมันอเดี๋ยวกำมันยั่วเราเดี๋ยวก็ตรงนั้นตรงนี้อยู่เรื่อยความจริงไม่ใช่ยั่วไม่ใช่มันมีมากขึ้นหรอกมันก็เท่าเก่าอะแหละแต่เรามีสติเรามีปัญญาเรามีความรู้ว่าโอ้ไอนี้มันจะต้องสองวอนไอนี้มัน เราเข้าใจผิดมากเก่าแต่เราตอนนั้นเราไม่ได้คิดเขาว่าเข้าใจผิดแต่เราไปหลงมันมาก่อนตอนนี้เราไม่หลงแล้วมีสติรู้อ้อไอ้นี่เป็ laid. นี่เหตุนี่กิเลสนี่อย่างนี้กิเลสแมะยั่วยั่วเราแล้ะยั่วเราแล้วแต่ก่อนนี้มันไม่รู้หรอกยั่วไม่ยั่วไม่รู้หรอกมันเหมือนไม่มีก็มันไปเรื่อยนะไปกับตามโลกเขาเป็นยังไงก็ไปเรื่อยไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้กุศลน ก, กุศลอะไรรอกมันก็เลยเหมือนไม่มี เพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่มีความรอบรู้เราไม่เข้าใจศัจธรรมล้วก็ไปเรื่อยเราก็เหมือนมันไม่มีอะไรแต่พอมาศึกษาเข้าแล้วมันก็จะมีสติมีปัญญาวิเคราะห์วิจัยอะไรออกได้รู้ได้ก็รู้รจักการจัดสรรรู้จักการสังวรรู้จกักว่าไอ้นี่ไม่สมควรที่จะปล่อยประละเลยสมควรที่จะปฏิบัติสมควรที่จะต้อง ฝึกฝนตนเองสามารถลดละกิเลสมีวิธีปฏิบัติลดละทำให้กิเลสจางคลายได้ก็ดีก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ น, นี่เป็นธรรมะที่ไม่ง่ายแต่เป็นธรรมะจริงที่จะได้ปฏิบัติประพฤติอัตมาได้เทศในพวกเราฟังถึงคนเรานี่มีกรรม แล้วก็ก่อกรรมปฏิบัติกรรมคนเราก็อยู่กับกรรมแหละอยู่เฉยๆก็เป็นกรรมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นกรรมเริ่มคิดอะไรขึ้นมาในใจก็เป็นกรรมแล้วถ้ามันถึงขีดนะในการคิดในการดัาบิรเนี่ยถึงขั้นที่มันเป็นตัวพลังงานที่เรียกว่าธาตุพลังงานในนามธรรมานามธ า, าตุ นามธาตุในความดำริตั้งแต่ภาษาพระทันเดวตั้งแต่อารับอารัมพธาตุอารัพธาตุอารัพธาตุอารัมพธาตุนิกรรมธาตุเป็นธาตุอาการทางจิตเริ่มดำริมาถึงนิกรรมธาตุถ้าขึ้นไปถึงปรกรรมธาตุเมื่อไหรแล้วละก็เมื่อนั้นจะเป็นกรรมซึ่งมันจะมีทิศทางเป็นปรักรรมธาตุแล้วมันจะมีทิศทาง ถ้ามันก่อตัวก็มันขึ้นมาจะเฉลยแค่ดํมบิเริ่มดํมบิอยู่แค่พอเริ่มต้นดัมิท่านเรียกว่าจุดที่หนึ่งมิสหนึ่งะเป็นอารัพธาตุเสร็จแล้วก็สองเรียกว่าปารบกับตัวนี้อีกทีหนึ่งซ้อนชั้นขึ้นมาเป็นสองครั้งสองชั้นขึ้นมาเรียกว่าอารัมพธาตุจากอารัพพระอารัมพธาตุเสร็จแล้วกับนิกกมธาตุ มีความพยายามเสริมขึ้นมาอีกมันมีตัวดำรินั้นต่อขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งมันยังไม่ออกไปเป็นอะไรอื่นยังไม่มีอะไรที่จะเพิ่มจากตัวตนสามจุดที่มันจะเป็นตัวตนเริ่มเป็นอาการทางนมามธรรมพออีกอันหนึ่งขึ้นมานี่เป็นส่วนที่สองละเป็นเศร้าที่สองสามจุดนี้เป็นเศร้าที่หนึ่ง ปรักรรมธาตุเป็นเศร้าที่สองขึ้นมาปั๊บมันจะมีทิศทางไปแต่มันก็เป็นเจตนาอ่อนๆถ้ามีถึงขั้นปรักรรมธาตุแล้วมันจะเป็นเจตนาอ่อนๆมันมีจุดมุ่งหมายมันมีที่จะไปมันไม่มันไม่ใช่อยู่กับตัวละถ้าสามจุดนี้มันยังไม่ไปไหนมันยังไม่อยู่กับตัวมันยังไม่ไปเป็นผลกระทบกับใครมันจะไม่ออกไปกระทบกับใครเพราะฉะนั้นถ้าเพอเป็นจุดที่สามนี่มันจะเป็นตัวมีเจตนา มันจะมีทิศทางมันไม่จมีจุดมุ่งหมายอ่ายิ่งเป็นจุดที่ห้าจากสี่เป็นห้านะมีกำลังขึ้นมาเด้กว่าถามมาธาตุพอมันจะออกไปมีทิศทางไปมันทิศ ท, ท, ทางไปเป็นตัวกำลังมีพลังงานที่จะเดินหน้าไปเป็นถามมะถามมาธาตุมันก็ยิ่งจะเป็นตัวพลังที่จะมี ความจริงจะเป็นกรรมที่จริงขึ้นมาอีกเริ่มเป็นกรรมรา้วที่จริงก็เริ่มดาดิขนาดที่เป็นกรรมแล้วแต่มันไม่แรงอะไรเท่าไหร่ยิ่งปรุงสร้างเข้าไปอีกตั้งมันลงเลยว่าจะต้องมีหลักที่จะพุ่งออกไปเลยเป็นทิฏฐทธาตุอีกทีหนึ่งเป็นตัวที่หกมันก็ยิ่งจะเป็นธาตุหรือเป็นอาการทางพลังงานในจิตเนี่ยจริงยิ่งขึ้นกว่านี้อีก พอขึ้นเป็นเศร้าที่สจากอารัพธาต์อารัมพธาต์นิกกมาธาต์แล้วมีปรักรมามธาต์มีถามถาธาต์มีทิติธาต์หแล้วพอขึ้นเป็นตัวที่เจอุปปักมาธาต์เป็นเศร้าที่สี่เริ่มถือว่าเกิดก็ออขออภัยเรื่มเศร้าเออใช่ถูกเศร้าที่สเป็นเศร้าที่สเริ่มเป็นตัวที่7เป็นอุปปักมาธาต์จะเป็นความพยายามอย่างเต็มตัว เป็นความมุ่งหมายอย่างเต็มตัวเป็นเจตนาที่เต็มสมบูรณ์จากนั้นถ้าออกมาจากจิตมีเหตุปัจจัยมีกิเลสร่วมปรุงแต่งเข้าไปเป็นวจีสังขารที่นี่ก็เริ่มแล้วอย่างน้อยเป็นวจีสังขารแล้วก็เป็นกรรมทางมโนอย่างสมบูรณ์เป็นสังขารแล้วเป็นสังขารธรรมแ ล, แล้วเป็นกรรมที่แท้จริงจะมากจะอ่อนจะจัด เป็นราคะบ้างเป็นโทสะบ้างคุณจะมากจะอ่อนจะแรงจะมีอาฆาตมากคุณก็ปรุงเต็มที่ก็ตามมีราคะมากคุณก็ปรุงมาถึงสังขารรูปนี้ตอนนี้ก็ตามมันก็เป็นมโนกรรมแล้วยิ่งออกมาทางกายกรรมออกมาทางวจีกรรมทีนี้มันก็ยิ่งเป็นรูปเป็นร่างเป็นพลังงานที่จะต้องมีพลังออกมาเกิดเป็นจริงเป็นจังข้าไปอีกยิ่งมีผู้ที่กระทบต่อมันก็เป็น เป็นกรรมที่เกิดสมบูรณ์เป็นสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับผู้อื่นกับคนอื่นต่อไปเลยทีนี้เป็นกรรมเป็นเวรเป็นบิบากอันไม่มีจบง่ายง่ายเพราะกรรมต่างๆพวกนี้นะใครแม้แต่คิดแม้แต่นึกมันก็เป็นวิบากสังสมเป็นของตนของตนใครจะไม่เอาไม่ได้ใครจะไปลบไปทิ้งก็ไม่ได้ เป็นของตนนี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ค้นพบพลังงานที่ละเอียดที่เรียกวพลังงานจิตวิญญาณมัเรียนรู้ไปแล้วเราเรียนรู้ตั้งแต่หยับหยาบอาการอย่างนี้เป็นราคะอาการอย่างนี้เป็นโทสะอาการอย่างนี้เป็นโมหะใครเรียนรู้แล้วก็พยายามระ ง, งับอาการเหล่านั้นเรียนรู้ไปเราก็จะเกิดภูมิปัญญาจะรู้จักอาการจะรู้จักสภาพจิตเจตสิก ละเอียดขึ้ น, นเรื่อยๆแม่ไม่มีภาษาเรียกก็จะเข้าใจอาการลีลามันมากหลากหลายเลี่ยมมุมโอ้เก่งจิตที่มันวิจิตมากจริงๆมันมีกิเลสแต่เป็นตัววิจิตด้วยและกิเลสมันก็ต้องเก่งจึงครอบงําจิตกิเลสนี่มันเก่งมันจึงครอบงําจิตของคนไว้เป็นเจ้านายมาได้มากมายและก็ทําให้คนนี่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ได้ศึกษาสัจธรรมนี่มีบาปมีเวรมาก โดยเฉพาะมีหนี้บาปมากแม้จะเป็นกุศลไม่ใช่บาปเป็นบุญก็ตามเป็นบุญโลกีเป็นบุญกุศลโลกีก็ตามมันก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งมันไม่ไม่เที่ยงและมันก็พาให้เราอาศัยได้เหมือนกันคนศึกษาไม่ถึงโลกุตระนี่ก็จะวนเวียนอยู่เป็นโลกีซึ่งทุกคนก็พอรู้ว่าอย่างนี้เป็นบุญอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้เป็นความดีงาม อย่างนี้เป็นการเสียสละไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้อย่างนี้เป็นโกรธไม่ดีอย่าได้ไปทําร้ายเขาโกรธจนกนระทั่งไปทําร้ายเขาไม่ดีคนมันพอรู้ตรงนั้นเด็กก็รู้พระท่านพููใดที่สังวรหัดฝึกมาเป็นนักปฏิบัติธรรมแม้จะเป็นแบบโลกีเป็นแบบศาสนาไหนก็แล้วแต่ศ า, าสนาฤๅษีศาสนาพุทธก็รู้ต้องรู้แน่นอนอย่างนี้มันเป็นขั้นไม่ยากไม่เย็นอะไร ก็หัดพยายามฝึกฝนตนเองรู้กายกรรมรู้วจีกรรมรู้จิตตัวเองยิ่งดีแต่ในรายละเอียดจะไม่รู้จิตตัวเองอย่างละเอียดละอแบง่งจิตแบ่งกิเลสเป็นสมุทดไทยรู้ชัดเจนอย่างนี้เป็นสาราคะอย่างนี้เป็นสโทสะอย่างนี้เป็นสะโมหะอย่างที่เป็น วีตราคะวีตะโทสะวีตะโมหะคือมันกลับกันวีตะก็คือมันลดมันจางมันคลายลงไปได้จนกระทั่งมันจะละเอียดละออกเข้าไปอีกอย่างไรก็แล้วแต่จะไม่มีภูมิปัญญาจะไม่มีหลักเกณฑ์ทฤษฎีที่จะปฏิบัติเหมือนอย่างของพุทธแต่ของพุทธนี่มีแน่นอนใครฟังที่อาตมาสอนมาเทศมาบรรยายมาแล้วก็ไปปฏิบัติก็จะรู้ว่าเออมันมีจริงๆรงมารู้จริงๆอย่างนี้สราคะอย่างนี้สะโทสะอย่างนี้สะโมหะ อย่างนี้เราปฏิบัติเออดีแล้วปฏิบัติสามารถทาให้มันจางคลายได้เดี๋ยวนี้แหมสามารถมีฟฝ์มือทำให้สามารถลดราคะลดโทสะเห็นมันจางกลายเห็นมันอ่อนลงในเหตุปัจจัยนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องใดก็แล้วแต่มัจะรู้ว่าศัจธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องจริงพลังงานทางจิตมีจริงกิเลสมีจริงลดละได้จริง เหตุปัจจัยที่เจ็บอยากง่ายๆเราปฏิบัติจกนกระทั่งมันกระทบสัมผัสแล้วเราก็พิสูจน์ได้โอ้มันไม่มีมันว่างกระทบสัมผัสเมื่อไดก็ไม่มีอาการราคะโทสะโมหะไม่มีผลักไม่มีดูดรู้น่ยสบายว่างเราก็จะเข้าใจว่าโอ้สภาพที่กิเลสมันดับกิเลสมันไม่มีมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะเข้าใจเราก็จะเห็นของจริง ในเหตุปัจจัยหยาบๆอย่างนูนอย่างนี้มันจะศึกษาได้ง่ายกว่าเป็นลาดับขึ้นมาเรื่องที่หยาบๆตําๆเราก็จะรู้ว่าเราชนะคนที่มีความชนะก็จะรู้ถึงขั้นจิตที่มันชนะอย่างเด็ดขาดชนะเมื่อกระทบสัมผัสเมื่อมันยั่วมันยวนมันอะไรในขณะรู้ตัวมั่งไม่รู้ตัวมั่งเราก็สามารถที่จะดับมันสนิทได้มันก็ไม่ฟื้นมันก็ปลุกเร้ายังไงมันก็ไม่ขึ้น ปุกขณะรู้ตัวปุกขณะไม่รู้ตัวมันก็ไม่เกิดอีกจึงเรียกว่าไม่เกิดอีกดับสนิทไม่เกิดอีกตายสนิทนิโรธดับสนิทหรือนิพพานท่านานิพพานก็ต้องมีปัญญาที่จะรู้ชัดเจนมีอุปโภคภัอฑ์มีมุดรู้จักมมุมดรู้จักจิตจริงรู้จักอาการจิตอาการกิเลส จ, จริงรู้ว่าอาการกิเลส ท, ที่เกิดจากอันนั้นอันนี้อันนี้แต่ก่อนนี้เกิดตอนนี้ไม่เกิดแล้ว สามารถทำให้มรู้ได้แล้วผู้มียาณรู้ตัวเองก็เป็นนิพพานหรือเป็นอุปตูภาควิมุตต์ศาสนาพุทธต้องรู้เองตัวมียาณรู้เองนี้จึงจะเรียกว่านิพพานถ้าไม่รู้เองให้คนอื่นมารู้แทนไ ม, ม่เป็นนิพพานหรอกตัวเองต้องรู้ชัดเจนในอาการในนามในรูป อ่านออกลีลาสภาพของมันจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งแทงทะลุมียานทศนวิเศษหรือมีวิชาวิชาก้าวทั้งโลกเขาเรียนมากวิชาแปดแต่อัตมามาอธิบายเอาชานมาร่วมโดยเป็นวิชา9้าอัตมาหยิบมาพูดมาอธิบายพวกเราได้ปฏิบัติได้ภาคเพียนในขณะที่ยังไม่ตาย รพระผู้ใดไม่ตายใส่ใจภักเปลี่ยนฟังซ้ำฟังซากฟังขยายความมุมนั้นเรื่องนี้เราก็จะฟังไปได้เรื่อยคนที่ร่าเริงในธรรมฟังธรรมไม่รู้จักเบื่อก็เป็นคนที่อัตามานะน้อยและก็ทราบซึ้งในธรรมมีฉันทะวิริยะในธรรมเป็นเป็นเรื่องจริงของคน เพราะนักคนใดไม่มีอัตามานะไม่ดูถูกไม่ประมาทฟังธรรมยิ่งเป็นสัจธรรมหรือเป็นสัทธรรมยิ่งฟังยิ่งรา่าเริงในธรรมเบิกบานในธรรมฟังธรรมไม่มีเบือ่อนะเพราะารู้ว่าสิ่งนี้มันน่าฟังเมื่อก็คนที่แม้แต่แค่หลงไม่ใช่แค่ไม่ใช่ขึ้นขั้นเป็นสัจธรรมด้วยแค่หลงหลงว่าเราฟังเพลงนี่เพราะโอ้มันเพราะฟังได้ฟังดีฟังซ้ําฟังซาก ฟังเมื่ อ, อไรกัซาบซึ้งกิเลกก็านาขึ้นไปเรื่อยๆอร่อยดีจริงกูฟังแล้วภัยร้อถึงใจฟังแล้วซาบซึ้งอะไรไปเรื่อยก็ฟังซ้ําฟัางซากได้ตั้งแต่ที่เพลงนี่ยถ้าเขาอัดมาเป็นเทปเป็นวิดีโอ เ, อเป็นดีสก์รก็แล้วแต่มันก็อัดเก่าไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าเทปมันอัดมาอย่างนั้นจะผิดจะถูกจะดีจะคุณภาพขนาดไหนดีไม่ดีฟังซ้ําไปไเรื่อยคุณภาพลดลงได้ซ้ําไหนเพราะเทปมันเสือ่อม ถ้าจะว่าแล้วมันคุณภาพลดอะไรสัไปแต่คุณก็ฟังได้ฟังดีฟังแล้อพอใจชื่นใจหลงกันขนาดนี้ยังฟังซ้ำฟังซากได้ไม่มีเบียร์ อ, อภิมาหาโง่เอ้ยแต่มาฟังทมแล้ว ทั้งๆ ท, ที่บางครั้งบางคราวในเรื่องเดียวกันนี่แต่ว่าขยายความละเอียดขึ้นไปดั ง, ง น, นั้นมุมนั้นมุมนี่อะไ ร, ะไรต่างๆนาน า, น า, นานด้วยซ้ำไปไม่ประทับใจไม่ใจไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่หรอกไม่รู้จะโง่ไปถึงไหนก็ไม่รู้นะคนะสงสัยโง่ไปถึงนรกเนาะยังไม่ถึงนรกไม่รู้สึกนั้นะคนเรานี่มัน วิชาหรือมันโง่นี่มันโง่ได้อย่างนี้แหละสิ่งที่น่าจะชื่นชมสิ่งที่น่าจะฉันทะยินดีแต่ไม่ฉันทะเห็นไหมว่าโลกมันหลอกเราเท่าไหร่ทุกคนเคยหลงอย่างนี้มาทั้งนั้นน่ะโล ก, กีที่อาตมายกตัวอย่างฟังเพลงอย่างเดียวอันอื่นก็บเมืองกันน่ยหลงมาหลงมาทั้งนั้นแนวไหนก็แล้วแต่รูปรักลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆนัานนะก็หลงมาทั้งนั้นยิ่งธรรมะที่เป็นโลกุตระมันก็ฟังยากหน่อย แล้วก็ยิ่งต้องยากนะยิ่งน่าจะติ้งเดียวต้องสนใจยิ่งต้องฟังให้ทราบซึ่งยิ่งจําแม่นยิ่งโอ้ฟังแล้วก็โอนี่ท่านพูดไม่ผิดไม่เพี้ยนเลยหลักเก่าเหมือนเก่าโอ้มีแหมมีเม็ดพรายใหม่มีชั้นเชิงใหม่มีลีลาใหม่มีอะไรใหม่แถมเติมก็มาให้ละเอียดลึกซึ้งกันไปอีกโอ้โหยิ่งเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นโอ้โหยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งทําให้เกิดบรรลุธรรมโดยซ้ําไป ยิ่งขึ้นคนฟังธรรมยางไงก็มีอานิสงส์เพราะคนที่ฟังธรรมซ้ำซากได้ก็คือคนไม่มีอัตามานะแต่คนก็รู้จักสารสัจจสิ่งที่ควรฟังควรใส่ใจควรภาคเพียรเอาอย่างที่อาตมายกเปรียบเทียบบ่อยที่โลกีไปเน็ดไปเหนื่อยโอ้ที่จริงไปทำบาปไปซ้ำไปโอ้ขยันเน อ, อยาเช่น แต่ก่อนเราก็ไม่รู้นะใช่ไไปเอาเปรียบเขาแบบทุนนิยมฟังพวกเรามีพื้นฐานก็เข้าใจไปเอาเปรียบเขาอย่างทุนนิยมไปทำกิจธุรกิจใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะยิงเรื่อง้ายเรื่องขายนี่ยิ่งเจ๋งนะักไปเอาเปรียบเขาคิดแบบทุนนิยมโอ้โหอีกคราวนี้นี่แหมมีพวก อะไรนะพวกหลงหลงไก่หลงมาอยากได้ลนลานมาเลยเราเห็นท่าแล้วไอ้นี่ที่จริงจะขายแค่สองร่อยนะไอ้นี่มันลองลองดูสิห้ารอยไก่หลงมันอยากได้ลนลานเยนะเอาเลยห้ารอจ่ายเลยไ ม, ไม่ต่อสักคำ โอ้ยดีใจแทนที่จะขายแค่200ได้ตั้งร0 0โดนไก่ลงมาให้เชือดดีใจนะที่เราได้เปรียบเรียกว่ากำไรท้งตุนนิยมหรือจะใช้กลเม็ดเด็ดพลายอะไรก็แล้วแต่ คนมาซื้อลูกค้ามาซื้ออาจจะแม่คนลูกค้ามันพูดหยาบมันยังงนย่างงี้ก็ยังอุตส่าห์ใจเย็นสู้หอดทนฟังมันอธิบายมันขยายความเหนื่อยแล้วเนี่ ย, ยปากเปียกปากแฉกกว่ามันจะซื้อโอ้ยได้กาไรหาสบไปกาไรย0สิเอาจะพูดเอาอุอสา ح, หะวริรยะอา เรว่าเอาหน้าเราต้องพยายามสาหาเฮาดีย์ให้ได้แทนที่จะได้อีกสักแค่ห0เอาอีกสัก60นะพูดเพื่อกล่อมไงก็ได้เสียเปรียบหรือว่าเราได้เพิ่มขึ้นอีกเป็น60สสหน่อยพูดพยายามสาธิาอุสาหฮาดีย์นักหนาภาคเพียนกันมาเยอะแล้วแต่เสร็จแล้วก็ได้เปรียบมาจริงๆก็ไม่รู้ด้วยตาวิชาใช่ั้มก็ได้บาเพิ่มขึ้น ดีใจดีอกดีใจกันยังอุตสาหะกันมามากมายนี่ยกตัวอย่างง่ายๆทํากันมาแล้วแทบเท่านั้นทําไมนะโรกุตระนี่มันมันขี้เรนักหนา่ายยังไงจะอุตสาหะเพื่อที่จะฟังเพื่อที่จะภาคเพียนเพื่อที่จะมันเออได้โจดเสียสละนี่โจดตรงนี้ดีโอโหเรื่องนี้ยากนะไปทํางานจัดเราไปเจอกับศัตรูซะแล้วโอ้โหจะยาก เอาหนะ้าหายใจเต็มอกสู้โอ้โหโจดข่าวนี้จัดเรามารวมกับไอ้คนที่มันเฮ้ ه, โหไม่ได้ชอบใจเลยจะบูคุณ้วยศัตรูตา ต, ตปางไหนก็ไม่รู้นะก็จะกลอกันมาแต่ไหนก็นแล้วแต่นะพยายามมากเพียนทำให้เราได้โจดนี้แล้วเราก็ลดความอาฆาตมาไดไรลดเพ่งโทษลดลิสยาลดอะไรก็แล้วแต่ทำได้ คนกำไรเนี่ยโอ้โหดีออกภาคเพียรอย่างนี้ภาคเพียรบังสิดงานนี้เหน็ดเหนื่อยสิ่งนี้กิจนี้ยากอะไรก็แล้วแต่เราก็ภาคเพียรทําจิตใจเราก็ไม่ต้องเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้มันก็จะมีผลกระทบอย่างน่นอย่างนี้จะทําให้ก่อกิเลส น, นนนี้มันเป็นโจทย์ที่ดียากนะยากจริงหาเงินเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ยิง่งหาเงินไปจะจะได้เงินเข้าสักบาทสักเบียอะไรก็ยากแสนยาก คนก็ยังอุตส่าห์เด็ดเตลย์ยังไงอดหลับอดนอนกอน็เอาอะไรกัว่าเอาทั้งนั้นน่ะไอนี่ไม่เอาแล้วจะอดหลับอดนอนจะยากนิดหน่อยไม่ต้องไม่ไม่เอานอนดีกว่าเลี่ยงดีกว่าหนีดีกว่าจะทํำยังไงอาตมาว่าหลายหลาคนฟังนี่พวกเราที่ปฟังทํามีพื้นฐานมาแล้วนี่อาตม า, าฟัง พ, พ, พูดซ้าพูดซั่เข้าใจ ติพูนี่เข้าใจแต่เสร็จแล้วไปถึงเหตุการณ์นั้น <g ülme> เหลวไม่ได้เรียงไม่ค้นขวายไม่อุตสาหไปได้โลกียะนะ่ก็เคยหลงมานักหนายังไปภาคเพียนเอามาได้ได้บาปมาจนกั้งเลียวนี้ล้างก็ไม่ค่อยจะหมดเลยก็พระคุณทำเองอ่ะสมน้ำหน้าอยู่นั่นแหละ คุณไปทำเองมาทางนั้นพราะมันไม่รู้แล้วก็ไปถูกเขาหลอกมาพวกโลกียะเขาหลอกกันมาคุณก็ลงไปทำมามากมายแต่นี่มันจะพางภาคเพียง น, นี้เพื่อที่จะแก้กลับเพื่อที่จะล้างสิ่งที่เราดังก็จะมีโจ์ไปทำเงี้ยมันยากจริงแต่มันก็ยากแล้วมันมีผลวิเศษนะไอ้ไปยากที่ไปได้โลกียะมาเราทำมานักหนาอุสาหกรริยเหน็บเหนื่อยลาบากลาบงลบน ดีไม่เดิดีมดีเคยไปแย่งชิงไอ้สิ่งที่เป็นแบาบปเช่นไปแย่งกามแย่งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ฆ่ากันตายมามันยิ่งหนักจะมันยิ่งโอโหต้องสู้กันจกนกระทั่งถึงกันหมายซัดกันมาแล้วตั้งหลายยกสุดท้ายถึงฆ่ากันตายก็ได้อุตสาหะกันมาแล้วบางผู้บางคนก็ได้ผ่านมาแล้วในชีวิตแม่ชาตินี้บางคนหรือชาติก่อน ก็เคยหลงอย่างนั้นมากันมากมายแต่จะมาปฏิบัติธรรมนี่ไม่เห็นจะต้องไปเตะฟาดฟันหรือฆ่าแกงกับใครเขาเลยเพราะมันต้องไม่ต้องฆ่าคนใช่ไหมมาปฏิบัติธรรมลงกุตระมันไม่ต้องถึงกันเดียว ต, ต้องไปฆ่าคนคุณไปฆ่าคนมันก็ผิดธรรมแล้วนรืคุณจะต้องเป็นซัดกันอย่า ง, งแรงๆประเภทติดทะเลาะวิวาทมันก็ไม่ใช่ธรรมะมันจะไปลงกุตระแล้วคุณต้องลดตังหากแล้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นหลัก ประกันหรืเป็นทิศทางที่ดีมาปฏิบัติธรรมนี่เจอกศึกหนักๆในขนาดไหนคุณก็จะต้องสังวรให้รู้อย่างมีปัญญามีไหวพริบที่ดีว่าอย่าไปทําอย่างนั้นรุนแรงหยาบอย่างนั้นมันบาปเพราะฉะนั้นมันจะรุนแรงไปยิ่งกว่าโลกี้ไม่ได้โลกี้มันต้องหยาบฆ่าแกงกันฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมานถือว่าชนะภาคภูมิแต่แทบบาปประบาลตะโก้เลยอุตสาหาถึงกันนั้น ก็ จ, จะฆ่าเขาได้กับตัวเองอาจจะเลือดต่งยางออกมาเหมือนกันเจ็บปวดผุ้สาหะขนาดนั้นทนสู้ขนาดนั้นก็ทั้งทํากันได้แต่มาทางธรรมะมโลกุต ร, ระนี่มันไม่ต้องไปยาไปยาไปงั้นผิดใช่ไหมเขาด่ามาเราด่าต่อก็ผิดแล้วใช่ไหมเขาชกเปลี่ยงมาเราชกต่อก็ผิดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องไม่ยา จะเนตเนือดังนั้อย่งไรมันก็จะต้องม่หยาบขึ้นต่างหามันถึงจะถูกทางเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทรมานเหมือนทางโลกโลกีเพราะมันอุตสาหะทั้งนี้มั่งซีแล้วมันก็ยิ่งจะได้ไม่หยาบซ้อนเข้าไปอีกไม่รุนแรงซ้อนไปอีกทํำไมไม่รักสู้จริงมันยากมันยากในใจนี่แหละมันยากในใจนี่แหละแต่มันจะไม่หยาบเหมือนกับอย่างโลกี ฟังดีๆนะฟังธรร ม, มฟังมุมธรรมะ ด, ดีอันมาตังแต่ว่าแม่มันเหลือใจแท้ๆมันเป็นจังไหนของดีๆโบส่บโบสาเอาของบุดีเล้วมุนเขาใส่เลือดออกสกส ก, สกเอาปานไก่ตีเอาโรบงหูเหลืองเราจะไก่ตีไหมนะ ไก่ชนเนี่ยมันเลือดศกยังไงมันตีกันเนยนลยนะไก่ชนชั้นดีนมันก็ตีกันหน้าปูตายบางทีตาบอดแล้วซัดอย่างนั้นอยเลือดไหลเสร็จแล้วพ่อเขาก็เอาเอะไรมาเช็ดหดหมดราน้าให้น้ำทีก็เช็ดลูกเอ้ยโทษเอาแน่เด้อสัดกันกับไอ้เอวส่งเข้าไปไก่ชนเก่งๆเนี่ยไม่ยอม มันตายเป็นตายเลยในไก่ชนเก่งๆนี่เลือดนักสู้เหมือนกันกับคนเหมือนกันน่ะโอ้อะไรกันนักกันหนานั่นแหละก็เป็นลักษณะแบบนั้นอ่ะงมงายแบบไก่ชนนั่นแหละแต่ถ้ามาโลกุตระมันไม่ต้องทําถึงขนาดไก่ชนหลอกมันหยาบอะไรแล้วก็ต้องเลี่ยงแล้วอย่าทําเพราะนั้นเราไม่ไปทําแรงเขาไม่มาทําแรงกับเราตอบ แต่ถ้าเราทำแรงเขาจะทำแรงเราตอบเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าทำแรงทำยาวอย่างนี้มันไม่ไมดีเพรา ะ, ะนั้นเหตุการณ์มันจะเกิดหยาบไม่ได้ง่ายๆจะเห็นได้ว่าพวกชาวโซกเราเนี่ยมีมวลชนมีหมู่กลุ่มมีการอยู่เป็นอยู่อะไรๆกันมานานพอสมควรยี่สสิปีเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างที่กล่าวนี่มืนคนนอกๆเขาไมน้อยแทบจะไม่มีเลย แต่เดนี่มีถึงขั้นชกกันบ้างสันเต๋อสองชกกันไปไม่นานนี่คู่นะึงแต่ก็ประเดี๋ยวเดียวจะไม่จะไม่จะอยากไม่รุนแรงอะไรเกินการมันสงสัยอารมณ์วูบยังไงก็ไม่รู้กันนั่นอะตอนนั้นถึงขั้นชกต่อยตบตีอะไรต่างต่า ง, า ง, างนั้นน้อยเกือบไม่มีน้อยเกือบไม่มีกี่ปีมาแล้วอะใช่ไหม พระมาภาคเพียงทางนี้เนี่ยมันไม่ถึงเลือดตกยางออกมมันถึงหยาบใครทําไมไม่อุตสาหะฟังความเข้าใจไหมที่อาตมาบ่นเนี่ยเนี่ยบ่นอย่างเงี้ยบ่นอย่างเงี้ยนะไอเน็ดอเนือนดังหนาไออย่างโน้นมันไปได้บาปด้วยเนี่ยเอาจังเลยเลือดออกก็เอาวอะไม่ได้โดยเหล่เอาโดยกลไม่ได้โดยกลเอาโดยมณฑฆา ฟังดีๆฟังธรรมมาเราจะเข้าใจรายละเอียดอะไรต่างๆนานานี่อาตมาอธิบายวันนี้ก็มีพละความที่ใช้วิธีอธิบายที่ชัดขึ้นอีกให้เห็นอีกว่าทํำไมในวิชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกซ้ำปวดสากพระพุทธเจ้าก็คนหาสิ่งที่ดีที่สุดมาแล้วมันไม่มีอะไรดีเท่านิพพานหรอกมันไม่มีดีเท่าหรอกมันไม่ประเสริฐถ้าจะมีคนที่มีนิพพานถ้ามีนิพพานแล้วมันก็จะพาเราประเสริฐ เป็นอรหันตีนก็ประเสริฐขั้นวิเศษแล้วถ้าจะเป็นโพธิสัตว์ต่อไปอ ก, ก็จะประเสริฐต่อไปอีกสิแล้วมีหลักประกันแล้วว่าเราไม่ทําบาปทั้งปวงทําแต่กุศลจิตสะอาดบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องทุกข์ต้องร้อนอะไรมากมายทุกสิ่งเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นเองทุกปิปากกระทุกขของเราทุกนิพพัทธุกอะไรกันต่างๆนานาบ้างก็ทุกที่เลี่ยงไม่ได้เท่านั้นเอง ตรงนั้นทุกอย่างโลเกียร์เขาที่เอาวิชากันนี่ยเราไม่ต้องไปทุ ก, กข์กับเขาเลยแม้แต่าตายก็รู้ก็ไม่ต้องทุกข์การพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่ต้องทุกข์เพราะมันต้องพรากกันไม่มีอะไรที่จะไม่พรากจากกันพระพุทธเจ้ า, าตรัสไว้ชัดเจนเลยในปัจจุบัจเวกขณะสิ่งที่ต้องพิจารณาอยู่เนืองเนืองข้อหนึ่งไม่มีอะไรที่จะไม่พรากจากกัน แม้ที่สุดเรายังจะพลากจากสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นกุศลของเราเมื่อปรินิพานแล้วเราก็เลิกกุศลที่เรามีตั้งมากมายเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์มีกุศลต้งเยอะต้งองแยะปรินิพานแล้วถ้าก็จากกุศลที่ท่านทำไว้ทิ้งเลยเลิกเรียกว่าอโหสิ ก, กรรมเพราะนั่นสิงที่จะเรียกว่าอโหสิกรรมนั่นก็คือกรรมสูงสุดอโหสิกรรมสูงสุดก็คือ ปรินิพานนี่แหละเป็นกรรมอันไม่เป็นกรรมเป็นกรรมอันหมดเลี่ยนจะเป็นกุศลก็สลายเลิกอกุศลไม่ต้องพูดเลยซึ่งอาตมา ก, ก็เคยย้ำไม่ฟังแล้วว่าคนเข้าใจผิดว่าพระอาหารหันต์หมดกรรมยังถ้ายังไม่ปรินิพานพระพุทธเจ้าหมดกรรมยังถ้ายังไม่ปรินิพานจะไปหมดกรรมได้ยังไงท่านยังทำดีอยู่ ท่ายังมีชีวิตเป็นตนท่านก็ยากทํากุศลอยู่หรือแม้แต่วิบากตามมาทันวิปา ก, กทุกท่านยังต้องถูกเทวทั์กลิ่งหินทับประบาสนีไปได้ยังไงกรรมต้องได้รับตามสัดส่วนที่ยังเหลือแต่ก็จะต้องประกอบกรรมใหม่ด้วยประกอบกรรมแต่ท่านก็ทํากุศลแน่นอนท่านไม่ทําอกุศลแต่ก็ต้องไปกรรมก็จะเป็นกุศลของท่านหรือพระโพธิสัตว์พระอรหันต์พระโพธิสัตว์ทั้งมีกุศลก็สั่งสมอยู่ ถ้าดังไม่ปริภาณจะวนเวียนมาอีกมันก็ยิ่งมีกุศลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึก้นให้เป็นเครื่องอาศัยเป็นพันเป็นกรรมพันธุเป็นเผ่าเป็นพันเป็นเชื้อที่ยิ่งวิเศษยิ่งดีเยี่ยมขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจะบอกว่าพระอาหารหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่อโหสิกรรมแล้วหมดกรรมแล้วเนี่ยเข้าใจผิดกันอโหสิ่งแปลความง่ายๆว่าไม่ถือสาเรียกว่า ไม่ติดยึดไม่เอาละไม่ถือไม่ถือเวนถือกรรมโดยเฉพาะถ้าเราเองเราไปโกรธเขาเนี่ยอธิบายอย่างหยากเสร็จแล้วเราก็บอกเออ เ, เราไม่ถือละพออโหสิไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ทวงเวนทวงกรรมอีกแล้วแล้วใจของเราทําได้จริงๆเราลดละอะไรจริงๆนี่มันก็ล้าง ส่วนเขาจะถืออยู่เขาจะปฏิบัติอยู่มันก็เรื่องของเขาอีกแต่มันก็จะมีการลดลงถ้าเขาก็ถือเราก็ถือมันก็จะสัดกันอยู่เราก็สั์กันอยู่มันก็จะอยู่เงี้ยมันก็จะยิ่งหนักขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแต่ถ้าข้างเดียวตบมือข้างเดียวเราไม่แล้วเขาซัดมามันก็เบาซัดมาอีกมันก็เบาลงไปเรื่อยเพราเราก็ยิ่งไม่เรื่อยๆนี่เป็นหยับจาของโนสิกรรมหยับยา แต่ไม่ได้ว่าไม่ใช่ประมดกรรมกรรมเราทามันมณสิกการทําใจในใจของเราว่าเอาละเราไมา่ไม่ถือละโทษนี้เขามาทํากับเราเราก็ยกโทษไม่ถือโทษอันนี้ไม่ถือเวนถือกรรมอันนี้ไม่ถืออะไร น, นี้คุณเองคุณใจของคุณทําของคุณเองได้จริงก็เรียกว่าโหสิกกรรมสิกรรมอันนี้ก็เกิดผลที่จะเป็นวิบากเป็นอะไรลดน้อยลง แล้วมันก็จะเกิดผลของวิบากเนี่ยไปสังเคราะห์จาติเน้นชา ต, ชาตินี้ก็จะลดลงไปเลยจนที่สุดก็จะหมดการมีการผูกพันไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาฆาตโทสมูลหรือจะเป็นทางด้านรักผูกพันทางราคะมูลหรือแม่โลภมูลก็ลดลงลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์จะบอกว่าหมดอโหสิ ก, กรรมคือหมดโลภโกรธหลง ก็ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าในระดับอย่างนั้นแล้วท่านหมดกรรมก็คือหมดกรรมชั่วอโหสิกรรมชั่วพระอรหันต์หมดกรรมชั่ววางกรรมชั่วไม่ถือกรรมชั่วไม่มีกรรมชั่วปล่อยกรรมชั่วไปหมดแล้วกับใครๆก็ตามกับทุกบุคคลแต่ท่านยังทํากรรมดี ยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่เสมอไม่ได้เป็นคนหมดกรรมมาเลยพระอาหารหันต์ก็ไม่ได้หมดกรรมแม่ที่สุดท่านตายจากชาตินี้แต่ท่านยังต่อพุทธภูมิต่อก็จะเวียนวนมาเกิดสะสมกรรมที่เป็นกุศลต่อไปอีกเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นขึ้นไปอีกมากมายกายกองเป็นบุญบารมีอีกมากมายจะ่ท่ากหัดวางหัดอโหสิไปเรื่อยๆในขณะที่มี อโหสิในขณะที่มีจนกว่าจะปรินิพานถึงจะอโหสิสมบูรณ์ถึงจะหมดกรรมจริงๆกรรมดีที่ท่านอย่างพระอาหารหันต์ในกรรมดีท่านมีเท่าไหร่ถ้าท่านปรินิพานแล้วทุกอย่างก็จบสิ้นสลายหมดเลิกกรรมเป็นอันยกเลิกอโหสิหมดแม่บุญแต่อโหสิทางกรรมที่เป็นสิ่งชั่วเป็นสัพพปาปัสสะ อาการนั่งไม่มีแล้วพระอาหารเริ่มตเติมเป็นพระอาหารแล้วก็หมดจบถ้ายัางไม่เป็นพระอาหารก็อาจจะมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้ยล ง, ล, งลงมาเรื่อยโซดาก็น้นอยลงมาสังกิตาก็น้นอยยิ่งขึ้อนอนาคาก็น้นอยลงไปอีกกันอาหารก็หมดจบนี่เป็นทิศทางหรือไปเป็นแนวของปฏิบัติของพระพุริเจ้าถ้าใครได้สังสมแล้วตั้งแต่เป็นเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละทําได้ เพราะการตายใครได้สร้างกุศลไว้แล้วและก็เรียนรู้สัจจะอย่างที่พระเจ้าว่าคนเราก็เปลี่ยนร่างเปลี่ยนกายไปชาตินั้นชาตินี้เกิดมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติที่อาตมาพูดซ้ําพูดซ้ราว่าพุทธเจา้าท่านก็เกิดมาไม่รู้กี่ชาติแล้วท่านก็นมาค้นพบสิ่งที่ประเสริฐสุดที่มนุษย์ควรได้ควรมีแล้วก็เอามาบอกทฤษฎีมาบอกวิธีศึกษาและภาคเพียงปฏิบัติให้ได้ได้ได้ให้คนมาทําตามให้คนมาได้ตาม ให้พิสูจน์ตามถึงว่าคนเรานี่มันไม่มีอะไรวิเศษเท่านี้อีกแล้วเกิดมาบังก่นจะไปกลัวเลยตายเนี่ยใครจะไม่ตายยกมือที่เนี่ยมันรู้ทุกคนแหละแม้แต่เด็กก็รู้จะตายไม้มไม่ตายได้ไหมไม่ได้อ๋อ ต้องตายทุกคนเพราะงั้นเราต้องเตรียมตัวก่อนตายว่าเราจะมีสมบัติมีทรัพย์อย่างไรซึ่งอาตมาก็ซ้ำห้บ่อยๆเอาละให้โอกาสคนใหม่ฟังบ้างเราไปปล้นเขาไปโกงเขาเราได้ทรัพย์ได้เงินดีใจดีใจนะ ซำยําลงไปเร็วนะไม่ใช่ดีดีล้วนะไปดีใจที่ปล้นมาได้ไปดีใจที่โกงมาได้ไปดีใจที่ทำชั่วมันไม่ได้หมายความว่าดีใจนั่ น, เ, นเสริมทำให้ตัวเราเองเจริญเรายิ่งหลงหนักเข้าไปอีกคุณทํากรรมปล้นชั่วคุณได้เงินไปโกงเขาคุณได้เงินฉลาดด้ยนะโกงเขาอย่างที่เขาไม่รู้ทันด้วยนะ ดีใจที่เขาไม่รู้เท่าทันเลยโอ้โหโกงได้สนิทเฉิดหน้าชูตาเฉยเลยนะและคนก็ไม่รู้อย่างนี้กรรมเขาก็ได้กรรมชั่วนั้นแน่ๆกรรมเป็นสมบัติเงินเป็นสมบัติที่ไหนเนีย่ยมานอนตายลงไปงี้แล้วเนี่ยเอาไปยัดเสรปากเลี้ยนเดียวบาทเดียวตายแล้วก็ไปคนดูที่นี่ใต้กองฟนก็ละลายอยู่ตรงนั้นเอาไปได้ที่ไหนให้บาทหนึ่งก็ยังเอาไปไม่ได้เลยเพราะงั้นนั่นไม่ใช่ทรัพย์ ทรัพย์สริงคารอะไรต่างๆไม่ใช่ทรัพย์คือกรรมคุณต้องเอาไปด้วยแล้วไม่ใช่เอาไปด้วยต้องไม่มีใครไปพลาดได้เป็นของของคุณกรรมสกตากรรมกรรมที่ปล้นกรรมที่ขี่โกงเป็นของคุณแต่ไอ้ที่เงินที่โกงได้ไอ้สิ่งที่ปล้นได้ไม่เอาไปได้ตายแล้วก็ไม่ได้เอาไปชาติโนชาตินาชาติไหนก็ไม่มีไม่ใช่ส่วนนั้นดีไม่ดีจะมานั่งใช้หนี้เขาถับตายไอ้ปล้นเขาไปจี่เขาไปโกงเขา แต่อกกรรมเป็นบีบากที่ปล้นที่นี่เนะ่ยโมห์ก็จะล้างก็จะแก้กลับแก่จะทำกุศลมันลบล้างมาอะไรอะไรอีกเนี่ยฟังให้มันชํำๆใจหน่อยเถอะนะคนเราเนี่ยและไม่รู้นะ่สังสมมาเท่าไหร่แล้วมาถึงวันนี้ได้มาฟังสัจธรรมนี้แล้วเนี่ย ยุดจะมันได้วันนี้ไปเลยแล้วก็สั่งสมเด็กุศลมันจะได้เป็นล้างไอ้อดีตที่มีมาแล้วแต่ละคนแต่ละคนจะได้เป็นบวกลบคูณหารลดดิตของเอกกุศลที่ก่อมาโดยเอวิชามานกี่ชาติมาแล้วอ่ะเพราะงั้นมันยังไม่พอเท่าไหร่เลยจ ะ, จะอยู่ไปอีกกี่ปีออยู่ไปอีกสิบปียี่สิบปีสามสิบปีแม่ร้อยปีนี่ก็ยัง ไม่รู้มันจะไปพอบวกลบคูณหารกับไอ้อกุศลที่มีแต่อดีตนี่มันไปจะเท่าไหร่เนี่ยอาตมากล้าพูดได้รอยยังล้อยังไม่หมดหรอกขณะพระพุทธเจ้ายังมีเศษวิบากอกุศลตามมาอย่างที่ว่าใช่ไหมคุณแน่แค่ไหนเ่ยให้อีกร้อยปีเนไม่หมดง่ายๆเห็นไหมเพราะเราจะต้องรีบเราจะต้องอุตสาหะขนขวาย เป็นเน็ดเหนื่อยหนักหนากลับไปขี่มาโลกีหนักหนามายังเอามาได้กันเท่าไหร่ทาไมโลกุตระอย่างนี้ไม่ขนขวายน่ยบอกแล้วว่าโลกุตระนั้นคุณได้ทั้งกุศลโลกียะคุณได้ทั้งโลกุตระใช่ไหมเราทํากรรมกิรยายกรรมวจีกรรมโนกรรมแล้วก็ทำแล้วก็อ่านใจโอ้ยล้างอย่าเป็นโลภอย่าเป็นปัทธรรมเป็นคลองตัวของตนเสร็จแล้วยิงให้ยคนอื่นไปแล้วก็ไม่ต้องเป็นนึกปีติยินดีอะไรอีกเป็นอักอุปกิเลสซ้อนก็ยิงใหม่ มันก็ยิ่งจะสูงไปยิ่งได้กุศลเพิ่มกี่มากมายกี่ชั้นกี่เชิงแล ะ, ล, ะลดกิเลสได้จริงเป็นโล ก, กุตระจริงด้วยและกรรมกริยากายมันก็เป็นโล ก, กิยะที่ก้นกุศลด้วยนี่อาตมาพามาสร้างสารรมารำเนี่ยเป็นโล ก, กุตรธรรมเป็นบุญนิยมเป็นสาธารณะโภคีเป็นอะไรเนี่ยพวเนี่ยขนาดไม่รู้ตัวนี่นก็มีพลอยมีกุศลโล ก, กิไปอีกทั้งเยอะตั้งแยะนี่ยเด็กพวกนี้แกเสียสละแกสร้างสรรคุณวินาทเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ย อาจจะอ่านปรมาจิไม่เป็นควบคุมจิตไม่ได้มีอะไรบ้างกัไบเทอรโลกุตระไม่ได้แต่ในรูปธรรมในเอนเสียสละสร้างสารรค์พวกนี้เขาก็ได้ไปโดยปริยายไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นระบบมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นประเพณีที่อาตมาพยายามที่จะก่อให้เกิดกุศลให้พอระดอบโกยกุศลภาคเพียรเอาสีทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญ ที่พูดพูดไปนี่มันไม่ใช่ภาษามาท่องเล่นโกโก้แต่มันเป็นสัจจะที่คุณจะต้องเก็บเอาภาคเพียนเอาอุษาหะเอาเพราะฉะนั้นพวกเรานี่จะเข้าใจเรื่องตายก็คือตายซากศพก็คือซากศพผีเพอไม่มีหรอกผีไอ้ที่จะมันหลอกมไม่มีหรอกมันเป็นอุปทานนะกรปั้นมาใส่ กันเองเพราะพวกเรานี่เด็กๆ ก, ก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามมาเรียนรู้เสร็จะทำปุิขเอาแล้วจะเห็นได้ว่าเออพวกเราเด็กพวกเราไม่ก็กลัวผีกลัวศพกลัวอะไรยิ่งตายยิ่งทำอะไรคนไม่ได้แล้วไปยิ่งไปกลัวไอ้ที่มันทำไม่ได้ไอ้คนเป็นป็ น, นี่มันทำได้กลับไม่ค่อยกลัวมันยอดผีหาซาตานเลยละคนเนียหลงคารมมันดีนะัก่ นั่นก็พยายามกันนะขณะนี้พวกเราก็ดีขึ้นนะมีอะไรอะไรจริงจังขึ้นมาและเข้าใจมากขึ้นกัตมาก็เห็นว่าพวกเราประกอบอะไรที่เป็นกรรมกิริยานะหินกล้านี่ก็มาพบทางนี้พอสมควรแต่ก็มีวิบากของเขาพอสมควรเขาก็จิตใจเขาก็แน่เขาก็มาทางนี้เขาก็รู้อยู่แต่เราวิบากของคนแต่ต้องพากเพียรอย่าไปแพ้มันง่ายนะ เขาก็ได้ไปพสมควรตามภาษาเขามาช่วยงานช่วยการอยู่ที่นี่ไปก็วันงานอยู่ที่แท้เนี่นมาทถ้าเขาปฏิบัติเป็นเขารู้จักตัวเขาเองเขามีการปฏิบัติเป็นสมาธิธสังกปะวาจากรรมมันตะอะไรต่างๆอาชีวะอะไรต่างๆเขาปฏิบัติมากอง 8, อันนั้นอย่างมีประสิทธิภาพมีอารยคุณ ก็เป็นของเขาถ้าที่เขาจะทำได้แต่ถึงอย่างไรมันก็ตายในแดนของคนบุญมันก็เป็นบุญดีอยู่ถือว่าตายในสนามรบมันเนี่ยกำลังทำงานบุญกันครื่งเครงหนอยโอ้ช่วยงานกันอยู่ทำใช่ไหก็ทำออกมาช่วยทาเด่ในคิดดูง่ายทีถ้ามารับจ้างทำหนึทุนพุทจ้างคนมาใ น, น ง, งานนี้งานฉลองงานบุญงานปีใหม่ว่างั้นนะ เราก็เลยมันคนไม่พอก็เลยจ้างจ้างมาสมมุติจ้างมามาทำไปท ำ, นะนะนะทำอะไรไนะนั่นนี่นะทําอะไรก็แล้วแต่ทำเต้าหู้งั้นนะเนี่ยเขากำลังทําอะไรเต้าหู้แป้งเนี่ยเต้าหูแป้งรนะับเงินรับทองไปถ้าเขานะถ้าเขารับเงินทองไปเขาก็ไม่ได้บุญใช่ไหมเขาก็ไม่ได้บุญดีไม่ดีขาดทุนก็ได้ถ้าไปเอาแผนคิดค่าราคาเกินควรอย่างที่เป็นลัดคิดแบบทุนนิยม เอาค่าแรงค่าอะไรกเกินควรบาปตายไปแล้วก็ได้บาปแต่นี่เขาทํางานนี่เป็นงานบุญงานเกื้อกูลซับซ้อนไปอีกว่างานนี้เรามาร่วมกันนะเพราะว่าต้องอาศัยแรงงานคนละไม้คนละมือเพราะว่างานนี้เป็นงานเสสระงานปีใหม่เราเนี่โอโ้โหลงทุนลงแรงกันไม่เฉยน้อ ย, อยเสียสระพากันเสสระเห็นเหเป็นปรูปธรรมที่ชัดที่สุดอ่ อาตมาว่าเนี่ยงานปีใหม่งานเป็นงานที่เสียสละชาัดที่ต้องตั้งเด็กตั้งเล็กตังถึงผู้ใหญ่ถึงขั้นไหนอะไรเสียสละกันเป็นอย่างไม่มีอะไรที่จะมาซ้อนคานแย่งเห็นมามันเสียสละซ้อนอย่างหินกล้าเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้มาเอาเงินก็ไม่ได้มาทำอะไรเขาเต็มใจก็ไปทำของเขาเขาจันทร์เขาไปทํ า, าทจุดนั้นจุดนี้แล้วก็ไปช่วยแล้วเขาก็ตายลงตรงนี้ก็เป็นยังไงล่ะมันก็เป็นบุญชัดชัดะ เ, เจนตนาก็มาทําก็รู้อยู่แล้วว่ามานําเอารถบุญรถข่าของบุญอะไรออกไปเลย นี่เป็นภาคโลกียะเขาก็ได้สุสัโลกียะเต็มเต็มไปอยู่แล้วส่วนโลกุตระเขาปฏิบัติประมาทได้ใช่ไหมเขาเป็นของเขาเพราะเราก็เรียนรู้ไปโลกียะเราได้ด้วยนี่อย่างน้อยก็โลกียะเห็นเแล้วแต่กุศลโลกียะแล้วถ้าทาใจในใจได้อีกเป็นอีกก็เป็นโลกุตระเนี่ยธรรมาพาทำเนี่ยพารําพารวยนะรวยโลกียะรวยโลกุตระด้วย แต่ลีลาพ่อเนี่ยโอ like farmer, ้โหยังเอฝ่ามืออรหันต์เบิรกะโหลกเจอเข้าบางมัดบางคนก็เห็นได้รีลีลามันนิ่งลีลาเป็นลักษณะพลวิสภาวะมันก็ต่างกันกับอิทธิภาวะนะความเป็นแม่เป็นพ่อพวกนี้ก็ช่วยพวกคุณสร้างพวกคุณเให้พวกคุณเกิดให้วิญญาณเกิดให้พัฒนาจิตให้เกิด ก็มีลีลามีกรรมกิริยาต่างเป็นความเป็นแม่เป็นพ่อในกรรมกิริยาเป็นด้วยซึ่งบัญญายตายตัวไม่ได้เลยเ ข, ขออยาคงจะฟังเข้าใจแต่พอพอเข้าใจพอเข้าใจบ้างไหมความเป็นแม่เป็นพ่อลีลามีกรรมกิริยาต่างๆพวกนี้มีความเป็นแม่เป็นพอ่รรพนนนพอที่ทำให้อปปาติกะโยนิสัตตาอปปาติกาท์าให้สัตโอปปาติกะนีเกิดได้นี่ก็บม่มเพราะ ใครที่จะอยู่ในคันไม่แทงก็จะอาตมาก็จะต้องเอาให้เกิดได้ส่วนใครจะแทงออกไปนอกคันอาตมาแล้วไปนะอาตมาก็ทาให้เกิดไม่ได้มันออกนอกคันไปแล้วนี่ใครยังอยู่ในคันอยู่ก็อาตมาก็ต้องพยายามวงฟักให้เกิดให้ได้เข้ <c oughs> า ใ, ใจนะว่าออกนอกคันอย่างไรอยู่ในคันอย่างไรเข้าใจให้ได้ก็แล้วกั น, น นี่เป็นเรื่องที่เป็นสัจจะที่ลึกซึง้งเป็นเรื่องประมาทเป็นเรื่องของปรโลกุตตรธรรมที่เราต้องเข้าใจในเรื่องแม้แต่สัตตาอุปปาติกาสัตตาอุปปาติกาหรือสิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดให้เป็นจริงๆนี่คือสมาธิที่คุณเข้าใจสัตตาอุปปาติกาหรือเข้าใจแม่มาตาปิตาความเป็นแม่เป็นพ่ออาตมาก็มีพฤติกรรมนี้สร้างสิ่งเหล่านี้อยู่ให้พวกเราได้เกิดได้เป็นได้มี สิ่งนี้เกิดแล้วอาตมา ก, ก็ทาไปก็พยายามดูทำตามก็นไปอุตสาหะวิริยะ ก, กันแล้วกันเอาละอาตมาเจตนาจะเทศได้สักชั่วโมงครึ่ง